สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่านี้คือให้แก่บคนทายกที่จะให้ทานแก่ผู้เตรียมที่จะไปบุคคลที่จะเดินทางทายกให้ทานในสมัยที่ข้าวแพงทายกให้ทานในสมัยให้แก่ผู้มีศีลนะนะให้ผลไม้แก่ผู้นี้มีศีลอันนี้เป็นการละทานนะผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ปราศจากความสนิย่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ใจคงที่ผ่านแล้วเป็นผู้มีใจผ่องใสทักคินาทานจึงมีผลไพรบุญแกชนเหล่านั้นเหล่าใดย่อมอนุโมทนาหรือช่วยเหลือในทักสินาทานนั้นทักคินาทานนั้นย่อมไม่มีผลบกพร่องเพราะการอนุโมทนาหรือการช่วยเหลือนั้นแม้พวกที่อนุโมทนาหรือช่วยเหลือย่อมเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งบุญเพราะฉะนั้นผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมาก บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกเป็นต้นนี้ในก า, านลาธาราสูตรนะทานที่ควรให้ทานที่มาถึงแล้วตรงนี้ก็คือว่านาวพารานิก็ได้แก่ผลผลไม้ที่ดีเลิที่ออกคาวแรกจากสวนเป็นกาลาทานน <c oughs> ะเป็นกาลาทานปธมังศีละวัน เซซบวก่าปฏิทถาเปติบ่กเขาถวายแก่ท่านผู้มีศีลก่อนแล้วตนก็บริโภคทีหลังอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้ เ, าเ็าเรียกเป็นการละทานแล้วก็เป็นผู้ละเป็นผู้รู้ภาษิตทานที่เขาให้สมควรที่มาถึงเข้านี่นะชนที่ยืนอนุโมทนานาที่ส่วนแห่งข้างหนึ่ง ทำการที่เป็นการงานขวนขวายเป็นต้นอันนี้ก็เกี่ยวกัอในเรื่องของบุญที่เกี่ยวกับการประพฤติประโยชน์เป็นผู้มีจิตไม่เบือนายเป็นผู้มีจิตไม่เบือหนายตรงนี้ก็ลักษณะการให้นี่นะเวลาท่านมาสรุปคำสอนท่านก็เลยบอกว่าให้อายุวันนาสุขาภละเป็นต้นในโพชนะทานาสูตรเนี่ยที่บอกว่า บอกว่าดูกนภิกษุทั้งหลายผู้ให้โพชนาเป็นทานชื่อว่าให้ฐานะห้อย่างแก่ปฏิฆา6เออปฏิฆาหกนี่นะคือให้อายุหนึ่งให้วันณะหนึ่งให้ความสุขให้กำลังให้ปฏิพานปฏิพานคือปัญญาเน่ขาต้องบอกว่าเวลาให้โพชนาะฐานเน่จะได้ให้เขามีฐานะ5ประการ หนึ่งให้อายุขั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนเห็นอายุที่เป็นที่เออดีหนึ่งเห็นไหมให้อายุให้เขามีอายุกรรมที่ทําไปนั้นเราเลยมีส่วนเห็นความได้อายุให้วันนะคือผิวพรรณเนี่ยนะเราก็เลยมีส่วนเนผิวพรรณให้ความสุขแก่เขาเราก็ได้มีส่วนในความสุขนั้นให้กําลังแล้วก็เลยมีส่วนเห็นเป็นผู้มีกําลังดี แล้วก็ให้ปฏิพานคือให้ปัญญาคนที่มีอายุณะสุขมีกำลังเข ก, ก็มีปัญญาในการที่จะค่ายควรคําสอนเป็นต้นเหล่าเนี้เนะี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ยบุญเหล่านั้นเลยเป็นอุอปบันทิศยปัจจัยเหมือนกนใช่ไหมเกื้อหนุนทั้งปัจจุบันแพบและในอนาคตแต่พบด้วยเนี่เป็นอย่างนี้ถ้าั้งบอกว่าเวลาให้แต่ละอย่างก็เออแล้ว5อย่างคูณไปองนหนึ่งอัตภาพคูณห้าหนึ่งอัตภาพคูณห้าไอแต่เราเรามาคิดดูสิอ่ะ ทำไมบางทีอายุเราไม่ค่อยแข็งแรงเลยอายุไม่ค่อยยืนอะไรมาตัดร้อนอะไรมาเบียดเบียนเอาอะไรแต่เนี้ยเห็นไหมเนี่ยกุศลกรรมก็จะมาเล่นงานเลยเนี่ยวันณะของเราก็ไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมความสุขก็ไม่ค่อยกําลังก็อ่อนแอคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเบียดเบียนสัตว์มาเรื่อยเป็นคนอ่อนแอนะแล้วก็ปัญญาเอ้ยไม่มีส่วนเลยถูกเพราะ เนี่ยเพราะอากุศลกรรมทั้งหลายมาเบียดเบียนอายุเบียดเบียนวันนะเบียดเบียนความสุขเบียดเบียนกําลังเนี่ยนะปัญญาถดถอยด้วยนะปัญญาพลอยถดถอยไปด้วยนะเนี่ยหลายคนถ้าไปป่วยอยารู้นี่ไหมป่วยๆก็เห็นแล้วจริงไหมกําลังมันกำลังของปัญญาหายไปเยอะไหยความทรงจําแรงด่างหายหายไปเยอะ ก็เมันยอมถามมาบอกว่าเวลาเขาดูแลคนแก่ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเครียดมากเวลาดูแลคนแก่เพราะว่าให้กินยาเป็นเวลาเดี๋ยวลืมแล้วเดี๋ยวก็ให้กินข้าวเป็นเวลาก็ต้องคอยว่าคอยบอกหยกหยกเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมเขาจะทำยังไงกับแม่สมมติเงี้ย น, นี่นยมาก็เลยบอกว่าอัตถะที่ท่านบอก เราต้องคิดว่าท่านบอกอะไรเราท่านบอกว่าลูกเอ้ยแต่ก่อนแม่ก็เป็นเหมือนเจ้านี่แหละเ่ไ็ไหมแข็งแรงความจำดีเข้าใจชีวิตดีแล้วไม่ชอบเลยภาวะความเป็นแบบนี้แต่ลูกดูที่ดูเนี่ยไอ้เกิดนี่แหละเนี่ยการที่แม่ยังไม่พ้นจากชาติทุกชาติภัยนี่แหละไอ้ชลาภัยของแม่ก็มาเบียดเบียน พยาธิภัยแม่ก็มาเบียดเบียนและต่อไปแม่ก็จะเกิดได้มรณะภัยอีกแล้วแล้วมันได้มรณะภายัยคือภัยความตายเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปเกิดอีกเนี่ยภาวะอย่างเนี้ยแม่ก็ไม่อยากเป็นหรอกนี่แม่กำลังบอกอัถะตัวเนี้ยแต่เราอ่านไม่ออกและแม่บอกซ้ำต่อไปอีกว่าไม่ใช่แต่แม่เท่านั้นลูกก็ไม่พ้นจากภาวะของความที่จะต้องเป็นเหมือนแม่ พ่อลูกยังไม่หม ด, มหมดจกราคาตัวสามมองไอ้ตรงนี้เรามองไม่ออกไงพอมองไม่ออกมันกังวลมันเครียดใช่ไหมก็เหมือนว่าให้สังเกตดูว่าทำไมเราจึงรักแม่ได้ไม่ค่อยมากเหมือนกับรักลูกที่ในน้อ ย, อยก็ขี้หลงขี้ลืมเหมือนกันเน่ะแล้วเอาข้าวกินแต่ละคําปุ๊บมันก็วิ่งหนีไปแล้วแล้วก็โอ้โหรักเขาตามมามๆม แต่ถ้าแม่เนะี่ยให้กินข้าวคํานึงแล้วแม่ขายทิ้งไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่เอาดิ้นอย่างนั้นขึ้นมาเราจะมงงีความรู้สึกไงความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมเอ๊ะทําไมผู้ใหญ่มันนั่งดิ้นเหมือนเด็กเอาอยาเราไปคิดอย่างนั้นเพราะเราถ้าเราคิดสิเราจะเห็นโอ้อัถะเด็กก็ดีอัถะคนแก่ก็ดีคนเจ็บก็ดีอัถะของความตายก็ดีถ้ามันเห็นชัดอย่างเงี้ยปัญญาเกิดนะ่เข้าใจชีวิตการเข้าใจชีวิตก็เข้าใจตรงนี้นะอ่านบางทีไม่เข้าใจนะ มันต้องมาไข่ครวรนนะัจะเห็นอ๋อเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้แหละเขาเขาบอกเราจริงไหมแล้วลความไม่พ้นของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยตรงนี้ก็คือการส่วนทานสูตรตอนนั้นพระเจ้าประทับที่สักบอกครณีชื่อว่าครักคลาใกล้เมืองจยมปานี่เนี่ยอุบาสกชาวเมืองจยมปานี่ได้กล่าวไปครั้งหนึ่งเลยตรงเนี้ยท่านพูดถึงทานตอนนั้นนะ่ะคือพูดกับภาษารีบุตร อุบาสกคนนั้นไปหาภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรก็พาไปเฝ้างพระเจ้าไม่ใช่ภาษาลิบุตรท่านไม่รู้ท่านไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็สนธนาภาษาลิบุตรแต่คนที่ได้ประโยชน์จริงๆคืออุบาสกบาศิกานั้นด้วยอุบาสกอันนั้นพูดถึงเรื่องเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของทานกุศลที่สรุปตรงนี้ก็คือว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทานกุศลที่บุคคลบางคนให้แล้วมีผลมากแล้วก็มีอริสองมาก แล้วก็มีผลไม่มากมีอันทีสอไม่มากตรงนี้เนี่ยว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยตรงนี้พระศ า, าสดาก็ตรัสว่าบงคนก็ให้ข้าวน้ายานดอกไม้เครื่องรูบไล่ก็งหอมที่พักเออถามยมต้มว่าเวลาเวลาเราดอกไม้เอาไปบูชาพระเจ้าอันนี้จัดว่าเป็น ว่าเป็นทานกุศลศีลกุศลหรือเป็นภาวนาวกุศลถามว่า เ, เอาดอกไม้ไปบูชาพทธเจ้าใช่เอาดอกไม้ไปถวายพระเจ้าไหมใช่ไหมอันเดียวกันไหมใช่ไปถวายพทธเจ้าไหมเออนั่ยแหละนะบางคนไปเข้าใจผิดไงว่าเออไปบูชาก็คือไปถวายน<อ>ั่นเองเอาไปถวายพทธเจ้า แล้วพระเจ้าก็รับใช่ไหมรับยังไงก็คือเราถวายเราเรียกว่าบูชาแต่จริงๆก็คือไปถวายเป็นทานกุศลก่อนนะเบื้องต้นเนี่ยนะเป็นทานนกุศลก่อน น, นะยมนะทานกุศลทางกายทานกุศลทางวาจาทานกุศลทางใจใช่หมกายกรรมที่เป็นทานกุศลวิจิกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็นทานกุศลก็ถือดอกไม้ไปนั่นแหละ นั่นก็คือไปถวายแต่เราเรียกกันว่าไปบูชาพระ เ, เจ้าแต่เราจะบูชาด้วยเจตนาทานหรือเจตนาศีลเป็นต้นนะเราจะไปบูชาด้วยทานกุศลด้วยศีลกุศลหรือด้วยภาวนากุศล น, นั้นก็ค่อยว่ากันไปตามลําดับแห่งการที่เราจะไปบูชาหรือไปถวายเหมือนคนถือเประน้ําไปลดต้นภาษีมหาโพ เราจะน้อมอยังไงเนี่ยก็คือถวายเรียกว่าถวายอาหารได้ไหมลักษณะอย่างเงี้ยก็คือถวายนยแต่ว่าจริงๆก็คือบูชานี่แหละการดูแลการอุปถาก ค, คือคือถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นนะนะว่าเรามีของดอกไม้เป็นต้นหลไรเนี้ยน้อมในการสักการะขับเน้นดอกไม้แต่เจตนาเนี่ย เจตนาจิตที่คิดจากถวายจิตที่คิดจากบูชาทั้งมีทั้งศรัทธาทานก็มีใช่ไหมตอนนั้นนะ่ะมีศรัทธาเกิดด้วยมีเจตนาด้วยมีปัญญาด้วยทุกทุกการย่างก้าวที่เดินไปทุกทุกยาบทที่เดินไปเป็นกายกรรมนะเป็นกายกรรมนะเนะี่ยแต่กายกรรมเหล่านั้นมันถูกขับเน้นมาจากอะไรใช่ไหม มันถูกขับเน้นมาจากไอ้ความคิดที่จะก้าวไปเนี่ยแต่ให้สังเกตความมุ่งมั่นของคนมันต่างกันตรงนี้แหละความมุ่งมั่นความจงใจตั้งใจเนี่ยนะเจ็จำ侬ตรงเนี้ยจัดแจงไอ้ตัวเจตนาที่ไปจัดแจงสามยุท ธ, ธรตมจัดแจงผัสสะเวทนาสัญญาเอกคตาชีวิตตินสีมนัสิการนะ่ยที่ไปจัดแจงวิตกวิจารณอธิโมกขิริยาปีติฉันทายทํา ห, ทหน้าทีข่ของตนของตนเนี่ยนะ แล้วก็ไปจัดแจงศรัทธาเป็ตอร์อเหล่านี้ยว่าเจตนาเหล่านั้นเนี่ยจัดแจงจัดแจงคุณธรรมที่เป็นกุศลไปไหมและตอนนั้นเนี่ยเป็นไปในคุณของว า, าสดาเป็นต้นหรือม่ไอ้ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าความต่างกันของของแต่ละคนต่างกันตรงนี้แหละมันต่างกันตรงนี้บางคนก็ไปตามหลักที่คนชวนไปใช่ไหมก็เลยลอยไปก็ไม่ได้ไข้ควรอะไรเยอะก็ผ่านไป บรรยากาศนั้นผ่านไปมาเออได้ไปแล้วแต่ปริมาณของกุศลที่เดินในใจก็อ่อนกำลัง เ, เคยเป็นัหยแบบเนี้ยไม่ไปก็ไม่ได้เกรงใจก็ไปไ ป, ไปหน่อยอ้าวไปๆหน่อยก็รอเมื่อไหร่จะเสร็จเสร็จร็จก็กลับแล้วพอกลับมาเบีเสร็จก็เออวันนี้ไปทำบุญมานะอะไรเงี้ย ก็ก็ลืมไปอารมณ์นั้นก็ไม่ประทับใจไม่สุขใจไม่โสมนัดแล้วก็ไปกันเยอะหมดแนละ้วแบบนี้งานประเพณีทั้งหลายเนี่ยนะงานประเพณีงานต่างๆเนีน่บางคนโอ้ยงานพืชไปหมดเลยมีแต่รายการบุญเยอะไปหมดเลยนะแต่ว่ามันจะไปแบบนี้มันอ่อนแอแบบนี้หรือเปล่าอย่าให้เป็นนะอย่างนี้พยายามอย่าให้เป็นนะเป็นบ่อยไหม ถึงบอกว่าตรงนี้นี่แหละมันทำให้อ่อนแอก้นปริมาณตรงนี้อ่อนแอจะทำยังไงให้แข็งแรงจะทำยังไงให้แข็งแรงนี่มีมีักบุญไหมที่มันตื่นเต้นก่อนที่จะไปเลยจิตใจผ่องใสตั้งใจ มีไหมในชีวิตเนี่ย ม, มีเลยอี่บอกกนนั่งรถไปในใจจดจอ่อไปเดินทางเป็นหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงใจก็จดจอ่อถึงแม่ถ้าอย่างนั้นจะประทับใจมากนะถ้าใครได้ได้ได้อารมณ์เพียนนั้นนะใจประทับใจแทบคนอื่นเนี่ยไม่เป็นอารมณ์ เป็นอารมณ์ธรรมดาเลยแต่พระศาสดาพระธรรมพระสงค์พระรัตนตรยัยเป็นอารามนาที่พดีของตนเองเลยอะเป็นอารามนาโอปปิสยะเลยะแล้วก็เป็นอุปปิสยะปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังเลยตั้งมั่นไปจริงๆเนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาอยู่ที่อินเดียเมื่อวันก่อนเขโทรมาเขาบอกว่าเขาจะทํำยังไงที่จะทําให้ใจเขาค่อนข้างที่จะตั้งมั่นเพราะอยู่ตรงที่ปรินิพานของพระศาสดา ก็ถามมามามาโทรมาถามมาก็ก็บอกช่ดก่อนที่ไปบรรยายก็ดีมีโยมที่อยู่ที่นั้นก็ฟังทำฟังฟังฟังขึ้นมาก็บอกทำยังไงว่าไงอมาก็บอกว่าเออก็ก็ต้องใครควรมาพิจารณาว่าเราเป็นอุบาสกของพระบรมศาสดาแล้วเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นที่เราอยู่ในดินแดนการปรินิพานของพระพุทธเจ้า ตรงนี้พระศ า, าสดามาทิ้งขันธารานะมาปริิพันธ์สภาพของรู ป, ปรขันธเวทนาสัญญาสังขารมียาณกับพระองค์เนี่ยดับอย่างทาวอใช่ไหมปริณิพานคือจุติจิตของท่านเนะี่ยเป็นปริณิพานไม่มีปฏิสนธิเกิดต่อถามว่าเราได้มีโอกาสในการที่ไปสักการะสถานที่ปริณิพานของพระศาสดาลแล้วและอย่างหนึ่งก็คือเราไปเพื่ออะไรไปปฏิญญาณไง บอกว่าข้าพระ อ, องค์เป็นอุบาสกข้าพระ อ, องค์เป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระเจ้าตั้งมั่นในพระราชนารายัยพระราชนารัยกับชีวิตของข้าพระเจ้าเป็นอันหนึ่งเดียวกันใช่ไ ห, ไหฉะนั้นกรณีที่ไปปฏิญญาไปไปปฏิญญาบอกภาษ ะ, ะไปบอกไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างนี้ จิตที่น้อมสการะน้อมบูชาที่เราให้ควรพิจารณาวิจัยให้เกิดขึ้นปรุงแต่งให้เกิดขึ้นสภาพของศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวคือเด็ดเดี่ยวนั่นเองคือสภาพใจที่เกิดความผ่องใสด้วยอำนาจของกิเลสอากุศลธรรมทั้งหลายก็คือไม่มาปิดล้อมจิตใจแล้เราดูซิตอนที่พระาศาสดามาก็บอกว่าจาได้ไหมตอนที่พระาศาสดาจากออกบวช พยามานก็มาบอกว่าท่านเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่ชมพูทวีปอุตรากุลุทวีปปบพาวิเทหะใช่ไหมแล้วก็ชมพูทวีปนี่แล้วก็ทวีปน้อยน้อยอีกสองพันเป็นบริวารท่านทำบุญมาเพื่อท่านจะต้องได้ครอบครองเป็นใหญ่ในทวีปเหล่านี้ไม่ใช่หรือใช่ไหม ท่านบริโภคอย่างนี้จะมีความสุขกว่าท่านก็สละเห็นไหมท่านสละเลยอ่ะประดุดดังเสลยอยู่ปลายลิ้นท่านก็คลายแล้วก็ทมทิ้งท่านท่านต้องการอะไรต้องการสัมมาสัมโพธิยานแต่เป้าหมายจริงๆคืออนุปาธาปริณิพานที่ท่านทิ้งตรงนี้ไงตรงที่ท่านทิ้งตรงนี้แหละนั่นแหละ ความปรารถนาของท่านนั้นบริบูรณ์แล้วท่านไม่ได้สร้างบา ร, รมีมาเพื่อเป็นอาจารย์พระเจ้าใช่ไหมท่านประกาศนะอย่างนั้นแต่ท่านต้องการให้เรานั้นต้องขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรฉะนั้นเมื่อเราได้อุปนิสัยปัจจัยได้ปัจจัยแวดล้อมและสถานที่ก็เป็นมงคลเป็นสถานที่ที่สําคัญอย่างนี้โอกาสแห่งการที่เราจะอยู่แล้วก็จะไปบูชานะที่ตรงนี้ก็มีเล็กน้อยเท่านั้นแหละ ฉะนั้นก็ไม่ควรจะละเลยสภาพจิตใจที่เราจะนอบน้อมตรงนั้นนึงและอีกอย่างหนึง่งกรณีที่เราเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เป็นอุบาสกอุบาสิกานับถือพระรัตนตรัยเนี่ยในปัจจุบันนพบเนี่ยก็เริ่มเหลือน้อยลงเหลือน้อยลงมันวัดกันที่ลมหายใจขาดโอกาสเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็หมดนะฉะนั้นการไปปฏิญญาไปฝังให้แน่นในกระแสของชีวิตนี่แหละ จะได้เป็นเครื่องป้องกันที่เราจะเดินทางไปในสังสารวัตด้วยถ้าเราไม่มั่นคงในพระราตนตรัยนะหรือไม่ตั้งมั่นในคุณของพระราตนตรัยนะแล้วในสังสารวัตรเมื่อเราไปเจออุปสรรคเจอปัญหาขึ้นมามันจะหลุดลอยหมดเลยนะและเราจะคิดถึงอะไรเราจะคิดถึงอะไร เราก็จะคิดถึงแค่สิ่งสภาพสิ่งแวดล้อมเราไม่มีแรงกระตุ้นที่เป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่จะคอยผลักดันทำให้ความคิดของเราเข้าสู่สิ่งที่ดีงามเป็นต้นได้เ น, น้พอพูดไปนในลักษณะนี้เขาบอกว่าเออเริ่มจะได้ข้อคิดและอย่างหนึง่งบางท่านบอกว่ากรณีมันเกิดความกลัวเนี่ยใช่ไหมความกลัวตายความกลัวภยัย ความวิตกกังวลขนพองสยองก้าวทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยพระศ า, าสดาก็จะบอกไว้ให้นึกถึงรพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ใช่ไหมถ้านึกถึงแล้วจะหายได้เนี่ยจะถามว่าความกลัวเป็นอะไรความกลัวนั้นเป็นหนึ่งในเสนามานความขาดกลัวทั้งหลายเนี่ยนะความไม่มีศรัทธาทั้งหลายความขาดกลัวทั้งหลายเนี่ยตอนนั้นแสดงว่าเราเจอกองทัพของพญามาเนี่ยแล้ห้ามหันแล้วบ่งบอกชัดเจนนะว่าอยู่ในสถานการณ์แห่งการลบจริงๆนะเนี่ย ถ้าเราให้ความกลา้าความกลัวเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะครอบงําจิตใจเราเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะตกเป็นทาตของความกลัวทันทีตกเป็นทาตของความขนพองสยองกล้าวความขาดกลัวจะจะมาเป็นใหญ่ในใจเราเรายอมมีชีวิตอยู่แต่อยู่อย่างความเป็นทาตของความขาดกลัวพระาศาสดาบอกอย่าทำอย่างนั้นให้คิดถึงพระาศาสดาถึงคตธรรมประสงค์ใช่ไหม เมื่อ น, นึกถึงแล้วเนี่ยความขาดกลัวจะหายไปก็เพราะนั่นแหละคือความเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั้นถ้าเราตั้งมั่นในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยสภาพของความกลัวทั้งหลายเนี่ยหรือปัญหาอุปสรรคทั้งหลายหเหล่านี้เวลาจะเข้ามาทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกขจัดได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยนะนี้ถ้าเราไม่ไปเรามีโอกาสไปซพศรีรษะใต้เนีย ในเบื้องบาทของพระาศาสดาสถานที่เป็นมงคลหรือที่ปรินิพานที่ประสูตทิที่ตรัสรู้เป็นต้นเหล่าเนี้ยเป็นบุญแล้วพขาพูดอย่างนี้โยมก็บอกเออใจมันเริ่มขึ้นมานิดนิดเนี่ยเนี่ตรงนี้เป็นเครื่องบ่งบอกไงบอกว่าในการเจริญกุศลที่การให้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยใช่ไหมแห่งการเจริญทานกุศลหนึ่งการให้ที่ยิ่งด้วยความอยากอันนี้ไม่เป็นกุศล มีความอยากเป็นตัวกระตุ้นเตือนหรือการให้ด้วยความยำเกรงอันนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะความอยากผู้มีจิตผูกพันในผลของทานหรือให้มุ่งมั่นจิตลงในทานหรือให้ไปให้ไปถึงแก่โลกอื่นเป็นต้นเหล่านี้นะหรือให้ด้วยความยำเกรงให้ด้วยความละอายและเกรงกลัวอันนี้ก็ยังยังนับว่าดีนะให้ โดยไม่มีเศษเหลือหรือว่าให้แก่ทักขินยบุคคลแล้วก็ให้อิงสมนัตแต่ที่ท่านขับเน้นจริงๆอรังการาปริวาระธานังให้เป็นเครื่องประดับและเป็นบริวารแห่งจิตคําว่าให้เป็นเครื่องประดับและเป็นบริวารแห่งจิตเนี่ยท่านขับเน้นในเรื่องของการที่ว่าประดับจิตให้เป็นที่เป็นไปกับสมถาวิปัสนาเป็นต้นที่ใช้คําว่าอัานตะธรรมธานัง อาานังธันตาทูสกังหัวการให้ทานเป็นเครื่องฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกพระเจ้าบอกว่าบางคนหวังจึงให้ทานเนะี่ยะจึงให้ทานบางคนก็ให้เพราะกลัวในทานท้าสุดบางคนก็ให้ พ, น, น, น, น, หพ น, นึกว่าเขาได้ให้แก่เราบางคนก็ให้ทานพ น, นึกว่าเขาจักให้ตอบแทน บางคนให้ทานเพ น, นึกว่าทานเป็นการดีบางคนให้ทานเพ น, นึกว่าเราหุงกินเองได้แต่ชนเหล่านี้หุงกินเองไม่ได้จะ่ไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้จึงไม่ควรบางคนก็ให้ทานเพ น, นึกว่าเมื่อเราให้ทานแล้วกิตติสัพท์อันงามก็ฟุ้งไปบางค น, <า>น<ๆ>ให้ทานเพราะเป็นเครื่องประดับปรุงแต่งจิตการให้ทานแปดประการเนี่ยให้ทานที่ประจวบเข้าเนี่ยนะก็คือว่า พอเห็นปฏิคาหกมาถึงก็นิมนต์ให้นั่งสักครู่แล้วก็ทําสกการ์แล้วก็ให้ทานย่อมไม่ลําบากใจว่าจักให้กลัวบอกว่าเป็นผู้ที่เพราะกลัวต่วอใบยภูมิหรือกลัวต่อเสียงตาหนีติเตียนเป็นต้นนะให้เพราะผู้นี้ได้ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ให้หรือให้เพื่อหวังว่าอนาคตเราจะได้ตอบแทนหรือให้ทานเพื่อบัณฑิตพระเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะ สารเสร็จน่ยนะประโยชน์ให้สําเร็จประการต่อมาก็คือให้ทานเพราะเป็นเครื่องประดับตกแต่งอะไรสมรถะและก็วิปัสนาตรงเนี้ยเพราะว่าทานย่อมทําจิตให้อ่อนโยนบุคคลผู้รับทานก็ย่อมจิตอ่อนโยนดีว่าเราได้รับเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็เลยกล่าวบอกว่าจริงๆเครื่องประดับเนี่ยตรงนี้เป็นเครื่องการว่าเป็นถ้าดูอยากว่าทานคือการให้จิตของทานก็คือทําลายโลภะ ผลปรากฏของทานก็คือการทําให้ความสมบูรณ์ของพอบชาติและความสิ้นของพอบชาตินั้นเป็นการอาการปรากฏทำที่ทานกุศลประหารก็คือโลภะทำที่ทานกุศลอนุญาตที่เกิดขึ้นก็คืออะโลภะอีกตัวเนี้ยตัวอะโลภะเนี่ยนะเวลาเกิดขึ้นเป็นเครื่องประดับเลยประดับตกแต่งจิตแล้วทาลายทําลายความตณี ทีนี้พออโลภาเกิดมากขึ้นกระตุ้นได้มากขึ้นอโทสาก็พอยเกิดกระตุ้นมากขึ้นเลยนะในที่สุดจริงๆเป้าหมายจริงๆก็คืออโมหะคือปัญญาเขาเรียกกรรมสกตาสมาธิที่เพราะปกติเนี่ยปัญญาเนี่ยเกิดยากเดบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับในบริโภคกรรมทั้งหลายพระศาสดาก็ขับเน้นว่าทานกุศลเนี่ยต้องให้ได้ปัญญาทานกุศลต้องให้ได้ปัญญาเพราะนั้นเป็นกุศ ล, ลกรรมเนี่ย ให้สังเกตว่าเมื่อเห็นเหตุของเหตุของการให้เมื่อเข้าใจเหตุของการให้ผลของทานกุศลก็มองได้ตลอดสายสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในในอนาคตเพราะเข้าใจเหตุผลชัดเจนใช่ไหมเช่นว่าสิ่งแวดล้อมที่เราได้เนี่ยสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์ที่ได้ในปัจจุบันนพบอันนี้เป็นผลของทานกุศลเป็นต้นแต่ทีนี้ผลของทานกุศลเป็นต้นเนี่ยนะ ที่เรากำลังได้รับสีเสียงกินรสสัมผัสเพราะการให้เนี่ยเมื่อกี้ที่คุยกันยมบอกว่านี่ก็สีนันเนี่ยดอกไม้นี่ก็สีนะเนี่ยอันนี้ก็สีนะเนี่ยใช่ั้ยนี่ก็สีนะยภาพพุทธลูปใช่ไหมหนังสือโตเก้าอี้ที่จริงก็คือสีหมดเลยแม้แต่บุคคลก็คือสีแต่ความต่างกันอยู่ตรงไหนอยู่ตางที่บัญญัติแล้วบัญญัติเรียกชื่อใช่ไม ฉะนั้นผลของทานนากุศลเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นนะก็ทําให้เราได้สภาพที่สีแตกต่างกันออกไปใช่ไหมก็คือได้สิ่งที่แตกต่างกับปราณีตหรือไม่ปราณีตและสิ่งที่บัญญัติก็บัญญัติแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเรามามองอย่างนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าเวลาบุคคลที่เขาให้ทานนักุศลเนี่ยพอเราปัญญามันเกิดเนี่ยปัญญาเกิดเนี่ ย, ญญ เ, เ, ยเขาไปเข้าใจสภาวะของทานนักุศลไม่ใช่เข้าใจแค่บัญญัติอย่างเดียว ไม่ใช่เขาจะละเลยบัญญัตินะไอบัญญัติคําว่าแก้วบัญญัติคําว่าน้ําบัญญัติว่าเป็นน้ําอะไรต่างๆอาหารชนิดไหนต่างๆไม่ใช่ละเลยหรือไม่เข้าใจเขาเข้าใจหมดเสร็จแล้วเกลี้ยงแล้วแต่เขาเข้าใจเจาะลึกลงไปว่าในนั้นมันมีสีอะไรมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีธรรมารมณ์ใช่ไหมอันนี้แปลว่าเขาสามารถแยกแยะรายละเอียดของตัววัตถุทานนั้นได้ชัดเจนขึ้นฉะนั้นการแยกแยะรายละเอียดของวัตถุทา น, น, นได้ชัดเจนขึ้นตรงนี้แหละ เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเจตนากระตุ้นอะไรให้เกิดขึ้นกระตุ้นอโรมะกระตุ้นอโทสะกระตุ้นปัญญาให้เกิดขึ้นฉะนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นก็เริ่มแยกแยะแยกแยะตัววัตถุทานได้และที่ละเอียดไปกว่า น, นั้นก็คือว่าตัววัตถุทานเนี่ยเป็นเป็ น, ปนรูปขันธ์นะใช่ไหมเนี่ยรูปขันธ์ทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกันในเรื่องของว่าอย่างนี้ว่าพระโพธิสัตว์เห็นตาเป็นวัตถุธานใช่ไหม เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นวัตถุทานได้ที่ถึงก็คือวัตถุกรรมเลยโยมคือวัตถุกรรมนี่แหละแต่พระโพิษัทเห็นเนื้อทุกชิ้นเนี่ยเป็นวัตถุทานได้หมดอ่ะอวัยวะทุกชิ้นเนี่ยเป็นวัตถุทานได้เอท่านมองเห็นว่าสิ่งที่ท่านจะทําบุญได้หมดเลยนะเนี่ยแต่แต่เรายัางมองไม่ชัดใช่ไหมคเนี้ยท่านมองถึงแม็ดเลือดเนี่ยเมล็ดเลือดที่วิ่งอยู่ในกระแสเลือดของท่านเนะ่ทะท่านมองเป็นทานกุศลท่านะเพราะท่านสามารถจะ เราให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในมหาสมุทรจนน้ำในมหาสมุทรพ่ยแพย้ได้เราก็สละเลือดมาเหมือนกันนะในสังสารวัตรเนี่ยไม่ไม่น้อยเลยนะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้มองเป็นทานจะ น, นี้เราไม่เข้าใจทานกุศลจเ น, นี้่ถ้าเข้าใจในป่า น, นี้เราเป็นพระพุทธเจ้าได้นะใช่ไหมถ้าเราเข้าใจมานะเพราะเราถามว่าเราได้ทิ้งเลือดได้สละเลือดที่มันได้หายไปจากร่างกายของเราเนี่ย มากกว่าน้ําในมหาสมุทรเหมือนกันไหมมากเหมือนกันเอาสิเนื้อก็มากกว่าเหมือนกันกระดูกก็มากกว่าภูเขา เ, เวพละเวปุละสีสาก็มากกว่าคุณเขาสิเนรุที่ถูกตัดไปเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดบริจาคเลยใช่ไหมเราคิดกลัวโ ด, ลโดนทําร้ายโดนทิ่มโดนแทงโดนตอกยา้าโดนกระทำเลยต่างต่างเราก็สละไปหมดเราก็ต้องวิบัติไปหมดเหมือนกันแต่ตอนนั้นเราไม่คิดว่าเป็น เราไม่ได้คิดก่อนด้วยว่าเราจะสละลองมีใครจะมาขอตาสักกูเนี่โอ้โหไม่ไหวแล้วใช่ไหมคิดโอ้ทาไมขอรุนแรงเหลือเกินใช่ไห ม, ไมเราก็เข้าใจว่าอติทานเนี่ยมันยิ่งโอ้โหมันทานเกินก็เหยียดเราแล้วแต่เราไปเข้าใจอย่างนั้นไปเลยแต่พระโพธิสัตว์นี่ตื่นเต้นเลยถ้าใครขอท่านอย่างเงี้ยท่านขอตื่นเต้นเลยใช่ไหมถ้ามาเจอหน้าโยมสุวรรณขอตาคู่ ใจเขาผิดหวังกลับไปหรือสมหวังกลับไปโอ้ h, oh, <karena S 2> ชื่นใจ จ, จริง <right? S 1> ๆวังคำเดี้มีมีมีมีพระรูปหนึ่งท่านทดลอง ทดลองพลายกลุมท่านก็ทดลองว่าเออมาเบสต์อยากรู้ว่าท่านปุณิย์ทานกุศลแข็งแรงแค่ไหนเน่ยออบวชมาตั้งนานออท่านผมขอคอมพิวเตอร์เครื่อง <c oughs> <c oughs> โอ้โหแว่ากว่านะหัวใจหัวใจผมนี่ <c oughs> หล่นปุ๊บเลยมีเครื่องเดียวแล้วในนั้นท่านก็บันทึกอะไรท่านไว้เยอะหมดใช่ไหมธรรมะอะไรท่านเนี่ยเพศึกษาประธรรมมาเยอะเนี่ท่านบอกโอ้โห <c oughs> <c oughs> ขออย่างอื่นได้ไหมไม่หรอกผมอยากได้เอ๊ะงั้นเดี๋ยวผมขอโหลดข้อมูลผมไม่หรอกผมจะเอาเดี๋ยวนี้คือท่านก็พยายามจะสอนให้รู้ว่าทานมันคืออะไรกันแ น, น่มันไม่ใช่วัตถุใช่ไหมมันไม่ใช่วัตถุท่านคำเน้นเจตนะพยายามนั่นนั่นนไปเสร็จพอสักพักหนึ่งพูดเจาะไปเรื่อยเจาะไปเรื่อยเจาะไปเรื่อยนะเขา ท่านก็น้อมน้อมน้อมอถวายจ้ <g ülme> ท่านก็เลยบอกเบสเร็จนี่ไงทานท่านทานกุศลมันตัวนี้แหละไอตัวที่ท่านชนะได้นี่แหละทำลายความมัจฉิยะไดนะ้ท่านก็น้อมอาถวายกลับคือโอ้โห oh ท่านโอ้โ oh เข้าใจแล้วค <g ülme> นดี <g ülme> ต้องสอนอย่างเงี้ยครับต้องสอนอย่างเงี้ยถ้างั้นจะไม่รู้ไอทานกุศลมันตัวนี้ต้องกา ร, ราทำลายตัวนี้แ <g ülme> ต่ว่าโอ้โห ที่ท่านสอนทานกุศลผมว่าผมได้แต่ในตำราว่าไม่ได้ข้อชีวิตจริงเลยว่างั้นนี่ทานกุศลตัวนี้จริงจริงว่าเครื่องเห็นต่างแล้วท่านก็บอกกับท่านจำไว้ท่านจำสภาพจิตใจที่เป็นแบบนี้ว่าทุกชิ้นเน่ยเราสละทำใจให้ได้อย่างนี้ได้ที่มีการสละมีการน้องนั่นแหละท่านจะเข้าถึงทานกุศลและจิตของท่านจะฝึกได้ดีขึ้นและจะประดับตกแต่งจิตของท่านได้ดีขึ้นเพราะในโลกใบนี้ยสายตาของพระเรามองมีอะไรท่าน วัตถุกามเนี่ยมันวัตถุกรกรมแล้วเป็นปัจจัยต่อการทําให้เรายึดติดใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยท่านจะไว้ใจตัวท่านเองได้ยังไงว่าตายมาแล้วท่านจะไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นอารมณ์เนี่ยอันตรายนะศีลบริสุทธิ์เนี่ยดูไหมภิกษุเนี่ยที่เป็นเปรตเลนเนี่ยนั่นศีลบริสุทธิ์นะเนี่ยทำไมท่านถึงกลายเป็นเลนได้ฉนันเอาไม่อยู่นะท่านไม่วิจัยเนะอันนี้โอ้โห พอท่านเล่นนำเล่นํา เ, เขามองเห็นเลยเห็นไหมมองเห็นเลยเนี่ยเป็นเงี้ยเห่นไหมทานกุศลจริงๆมันคืออะไรกันเนี่ยมันคือเจตนาคือจิตที่จะให้ใช่ไหมท่านขับเน้นตัวนี้พระศ า, ษ า, ษาสดาต้องการให้ขับเน้นตัวนี้ให้ชัดมันจะได้วิจัยอะไรได้ขาดจะได้เข้าใจอะไรให้ชัดเจนจริงๆ ร, งรนหัวงยิงเเนอะ <laughs> เพราะของเราบางทีของบางทีไม่ได้มีราคาเนี่ยบางทีบางชิ้นเนี่ย ก็เก็บอยู่นั้นแหละของนิดเดียวนั่นแหละของเยอนั่นแหละแต่ของชิ้นนั้นกับกลายเป็นอุปกรณ์ในการเจริญกุศลได้ถูกต้องที่สุดเอาะทของชิ้นนั้นนอกจากดากลับไปดูอะไรที่มันห่วงมากที่สุดกลับมาถึงก็มาบอกว่าเอาพี่นะดีอามเอาเนี่ยทํางานอในฐานะเป็นเลขามอบให้ประธานชุ่มลมนะของนี้รักมากของมาตั้งหลายสิบปีแล้วได้ไหม เพราะจริงๆบางทีไม่มีค่ากับคนอื่นเลยใช่แต่มันมีค่าที่สุดกับเราคือคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยนะเขาจะรู้บางทีเขาจะฝึกคนเนี่ยนะเขาจะฝึกให้รู้จักสละเป็นแล้วในส่วนจริงเขาก็มอบแถมมอบให้แล้วอย่างเนี้ยเขาจะที่ส่วนจริงก็ไม่ได้คิดอยากได้อะไรของเราใช่ไถามพระเจ้าอยากได้อะไรของเราไหมไม่ได้อยากได้อะไรหรอกแต่ต้องการให้เราเข้าใจ ว่าทานกนะุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเนะ่เขาเดินอย่างไรพระองค์ก็เลยบอกวัตถุอย่างมากมายให้แต่ถ้าไม่สละวัตถุเลยแล้วทานจะเกิดยังไงมันเกิดไม่ได้ยังไงก็เกิดไม่ได้แล้วก็ฝึกขัดจิตไม่ได้ประดับตกแต่งจิตก็ไม่ได้ปรุงแต่งจิตให้ขึ้นก็ไม่ได้จิตก็อยู่นั่นแหละแฟกแล้วอย่างนงให้สังเกตต้วนะว่าการให้ทานเป็นเครื่องฝิกฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึก การไม่ให้ทานเป็นเครื่องประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้วทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ล้วก็ชนทั้งหลายเนี่ยนะมีจิตอ่อนโยนและน้อมลงด้วยปีญาวาจานี้ตรงนี้แปลไปเหมือนกันตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรามาองว่าบางครั้งเนี่ยนะถ้าเราจิต ปลอดโปร่งจากชัดเจนในการเข้าใจ ท, ทานกุศลและเบสินะใช่ไหมว่าถ้าเราให้ให้ทานกุศลเป็นวัตถุทานจนชนะทุกอย่างได้แล้วนี่นะจนใจเราให้สังเกตว่าทำไมพระโสโดาบันจึงไม่มีความตะหนีอะไรเลยอันนี้เห็นชัดเลยเนี่ยแต่พระแต่อนาถาบินด้กาเสถีไม่เคยจนเลย อันนี้แปลว่าเขาฉลาดมากเลยใช่ไหมเนี่ยหรือนางวิสาขาเนี่ยฮะ อ, อ๋อใช่เคยเค ย, เคยจนแต่ ว, ว่าใ จ, ใจไม่ไมเ อ, อตรงเนี้ยสำคัญที่ที่ต้องการชี้เห็นไหมเนี่ยต้องการชี้ตรงนี้ก็คือว่ า, เ ว, าเวลาเวลาเกิดสถานภาพมันตกตกต ก, ตกลงมาเนี่ยถ้าสมมุติเป็นเราตอนนี้เนี่ย เพราะว่ากระแสะของสิ่งแวดแล้อมมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้ใช่ไหมทั้งๆ ท, ที่เราดูแลดีบริหารดีทําอะไรดีเบสเสร็จ เ, เนี่ยบางสถานการณ์ของชีวิตเนี่ยมันจะต้องสู้มันต้องมันจะต้อ ง, อ ง, องดรอปลงแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่ขึ้นตอบกรรมของเราอย่างเดียวนะบางทีมันเป็นเหตุปัจจัยของคนอื่นคนอื่นที่มันเรามาเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะเอาสมมุติว่าเอาพ่อกับแม่จะไม่ใช่ เอาลูกกับแม่ลูกลูกกับพ่อนี่เนะียบางทีก็ลูกกับเพอเอิญก็มาอยู่ในแวดวงของของของพ่อนั้นด้วยใช่ไหมเอาพ่อก็ที่กรรมของพ่อดูแลกว้างกว่าแต่ผลประกบว่าของลูกก็ทําอย่างดีแล้วในในในเครือข่ายของลูกเนะี่ยแต่ของของพ่อถูกกระทบใช่ไหมเครือข่ายใหญ่โดนกระทบมาเอาสิมันก็เลยเบียดเบียนเราเข้าไปเพราะเราก็อยู่กรรมเราเล็กกว่าเขากุศลกรรมเราน้อยกว่าเขา ก็เหมือนเราอยู่ในประเทศเนี้โอ้ยธุรกิจเรากำลังไปดีสมมตินะเอาเกิดประเทศมันสุดตตมยุ่งเลยเห็นไหมนะทั้งๆ ท, ท, ที่บุญเราดีนี่แหละแต่บุญของคนใหญ่โตที่ของเขาที่ระดับปกครองใหญ่โตเนี่ยมันหมดนะสมมตินะมันอ่อนกําลังลงเนี่ยเ mm hmm. ล้กระทบบุญของเราที่น้อยกว่าเขาเขาอีกแต่นี้เลยแฟบไปเลยทีนี้เนี่ยไนอะ้ตรงนี้ก็ต้องมองมองให้ออกว่าเขตปัจจัยต่างๆอะไรนี้ เออไหมต้องคงต้องกล่าว่าคร า, าวนั้นนะฮะเป็น ในสิ่งแวดร้อมอันไม่ควรกนะ็จะกล่าวว่าเป็นประเทศอันไม่ควรแล้วแล้วก็เป็นช่วงของการริบาดใช่ไหคะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่จะให้ผลเนี่ยจะเป็นทั้งเรื่องของไม่ว่าประเทศแล้วก็การนะะประโยชคะ ะะแตอนนี้ตรงนี้ประโยชคะก็ยังดีอยู่แต่ด้วยความว่าในเวลานั้นเป็นเวลาที่มันไม่ไม่ใช่เวลาที่จะเป็นการที่เป็นทางสมบัติะน ะ, ะคะเป็นว<ะ>ิปัสสคือจริงเข้าใจค่ะคือจะน่าจะใช้ตรงนี้จะจะครอบคลุมมากกว่าไมเจ้าคะแล้วก็เป็นในประเทศก็คือสภาพแวดล้อมในขณะนั้นเจ้าคะในหลวพ่ก็ก็ตรงนี้ถ้าคนก็มีบุญหนักศักใหญ่กว่าเราเนี่ยนะบางคนเนี่ยมี มียกตัวอย่างนะขนาดเป็นที่วัดเราเนี่ยนะที่ที่ของวัดถ้าบอกว่าถ้ามีกฎหมายเวรคืนตูมึงเราก็ต้านไม่ไหวไม่ต้านไม่ไหวเลยเนะี่ยเพราะที่สุดจริงก็เอาค่ากรนะจายแต่จ่ายเท่าเนี้ยกฎหมายเท่านี้โอ้เราจะสร้างยังไงสร้างก็ไม่พอนี่นะ ที่ก็แคบเข้ามาอย่างเงี้ยนะสมมุติเนี้ยฉะนั้นโบราณีถามว่าเป็นเป็นเป็นกุศลที่เราทํามาไม่ดีด้วยไหมเอาไม่ดีด้วยมีอกุศลกรรมมาแทรกมาเบียดเบียนด้วยไหมมาแทรกด้วยไหมยอย่างนี้เป็นต้นนี่ยนะถึงบอกว่าเราจะเจอสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยนะ